จิตนี้มันมีสัญญาคือความจําได้เพราะมันเห็นรูปนี้นะมันจํำมาไว้ในใจมันแว บ, บหนึ่งพารูปใหม่มาเกิดตรงนี้เนะี่ยมันจําแล้วมันก็เลยสร้างภาพในใจของมันว่ามีความเคลื่อนไหวขึ้นมานะการปฏิบัตินี้เหมือนกันนะอย่างร่างกายเราเคลื่อนไหวเนะีเคลื่อนเป็นช็อตๆๆเลยนะหรือจิตเราก็เกิดดับเป็นช็อตๆ ต, ตลอดเลยนะแต่อาศัยสัญญาเข้าไปหมายเพราะั้นสัญญาของเราเนี่ยเรียกว่าสัญญาวิปลาส คนไทยมาแปลสัญญาวิปราสว่าบ้านะความจริงก็คือสัญญาที่ที่มันทําให้หลงผิดไปไปสำคัญมั่นหมายเอาของซึ่งเกิดดับเกิดดับเนี่ยว่ามันเที่ยงเรียกว่าสัญญาวิปราสไปสําคัญเอาของซึ่งไม่มีตัวตนว่ามีตัวตนนี่มาเรียกว่าวิปราสไปสําคัญเอาของซึ่งเป็นทุกข์ว่ามันเป็นสุขนี่เรียกว่าวิปราสของไม่สวยไม่งามว่ามันสวยมันงามว่าวิปราสมีสี่อันนี่อาศัย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 อีกพวกหนึ่งคือพวกทิฏฐิจริตพวกช่างคิดพวกนี้ช่างคิดคิดทั้งวันอาชีพทํามาหากินก็คิดทั้งวันนะไม่มีงานจะทําก็นั่งคิดไปอีกอยู่ดีๆไม่ว่าดีนะก็ไปดูละครทีวี v, ดูพัตบกันไปตบกันมาใช่ไหมใจ ก, ก็เพิ่มวันไว้อะไรนะฟุ้งซ่านอยู่อย่างเงี้ยวันๆมีแต่ความฟุ้งซ่านนะให้ไปทําความสงบให้ไปเข้าฌานะเข้าไม่ได้หรอกเข้าได้แต่พื้นคนโบราณเรียกพื้นว่าฌานนะดีแต่เลื้อยลงพื้นไปเท่านั้นเองนะ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 มันจะถอยออกมาล้จะเห็นในร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งเวทนาอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งนะแยกกันไปสังขารทั้งหลายก็อยู่ส่วนหนึ่งแต่ละส่วนแต่ละส่วนไม่มีตัวเรานี่เดินไปอย่างนี้ก็ได้อีกพวกหนึง่งทําสมาธินะอยู่อัปปนาสมาธิทรงอยู่อย่างนั้นนะเสร็จแล้วถอยออกมานิดหนึง่งจิตเคลื่อนออกมานิดนึงไม่แนบแน่นอยู่ในอารมณ์ของสมถกรรมฐานนะแล้วก็เห็นความเคลื่อนไหวอ ย, อยู่ภายในเห็นจิตเคลื่อนไหวอ ย, อยู่ภายใน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 ต้องสอดคล้องกับคำสอนของพระพุทธเจ้าถึงจะใช้ได้ไม่ใช่โยนิโสตามใจชอบตามใจกิเลสใช้ไม่ได้จริงหรอกนั้นเราสังเกตนะบางคนภาวนาแล้วใจเบาว่างเลยหลวงพ่อเองเคยเป็นนะต้องไปเจออาจารย์มหาบัวท่านแก้ให้ใจเราว่างอยู่ตรงข้างหน้าอย่างนี้น ะ, ะว่างเหมือนโลกาธาตุนี่ว่างเป็นสบายมีแต่ความสุขเียแต่ทาไมว่ามันไม่พ้นกิเลสนะนานๆนนนนกิเลสยังวกมาฉกเอาอีกอนยะ่างี้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 สังเกตลงไปเรื่อยนะแต่ไม่ใช่คิดมากคิดมากแปลว่าฟุงา้งซ่านให้สังเกตสภาวะเอาเช่นดูว่ามันทานํางานยังไงถึงจะเรียกว่าสังเกตถ้านั่งคิดเอาเองเอจิตตอนนี้เราโกรธหรือไม่โกรธนะจิตตอนนี้รู้หรือไม่รู้นะเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ว่าช่างสังเกตแล้ว น, นี่เรียกว่าฟุงา้งซ่านนะเพราะฉะนั้นภาวนาแล้วเกิดสงสัยนะว่าเอจิตอนนี้รู้หรือไม่รู้นะเนี่ยให้รู้ไปเลยว่าขนาดนั้นกําลังฟุง้งซ่านไม่รู้หรอก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 ยังไงก็ติดถ้าไม่ติดก็หลุดพ้นเท่า <c oughs> นั้นเองโอค่ะเฉะั้นสภาวะจิตเนี่ยจะมีปัญหาอยากปฏิบัตินะอยากหลุดพ้นอยากดีอยากได้อะไรเนี่ยแล้วมันต้องทํางานขึ้นมาหน้าที่เราก็คือจิตมันไปปรุงแต่งอะไรคอยรู้ทันมันถึงจะไม่ติดถ้ารู้ไม่ทันก็ติดอยู่จนกระทั่งวันหนึ่งรู้ทันก็ไม่ติดอยากกลัวติดยังไงก็ต้องติดเออแล้วก็บางทีพอพอเข้าไปรู้เนี่ยคะ่ะคือคือใช่แล้วใช่ป่ะคะที่ที่เห็นเนี่ยค่ะ เราก็บางทีคือพอรู้แล้วมันก็คือมันมีแรงดันอยู่แล้วก็มีเข้าไปแทรกแซงที่หลงพ่อเคยอตรงแรงดันนั่นแหะคือตันหาคะมันจะผลักดันนะให้เรามีสติรู้ทันถ้าจิตจะเข้าไปแทรกแซงรู้ว่าจิตอยากแทรกแซงรู้ลงไปเรื่อยๆนะแล้วบางทีก็จะมีจงใจเข้าไปดูมากไปอะค่ะมีจงใจก็รู้ว่ากำลังจงใจอยู่เห็นไหมง่ายขนาดนั้นเห็นมีอะไรเลยก็รู้เป็นแล้วก็ดูไปสิ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 สังเกตไหมร่างกายเราก็เบาจิตใจเราก็เบานะเคลื่อนไหวคล่องแคล่วว่องไวเห็นความเปลี่ยนแปลงได้ทั้งวันเลยถ้าดูไปอย่างนั้นแหละภาวนาที่ภาวนาใช้ได้นะจิตดีขึ้นเยอะแ ล, แล้วเบาขึ้นเยอะแล้วค่ะขอบพระคุณเจ้กลับนวัต ก, การหลวงพ่อเจ้าค่ะก็ช่วงนี้ฟุง้งแล้วก็หลงนานเจ้าค่ะแล้วก็เมื่อคราวที่แล้วก่อนนูน้นหลวงพ่อกรุณาให้กันบ้าน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 อย่างเวลากิเลสทุกตัวนะจะทําให้เราเลิกรู้กายรู้ใจใช่ไหมอย่างพอเราสงสัยขึ้นมาเราก็ไปคิดใช่ไหมเราไม่รู้ว่ากําลังสงสัยเรารักขึ้นมาเราก็ไปคิดถึงคนที่เรารักลืมรู้ว่ากําลังรักเรากโกรธขึ้นมาเราไปคิดถึงคนที่เราโกรธเราลืมรู้ว่ากําลังกโกรธกิเลสทุกตัวทําหน้าที่เดียวกันนะให้เราลืมกายลืมใจไม่อยากไปหลงกลมนะันนะถ้าสงสัยรู้ว่าสงสัยขนาด น, นั้นอยู่ในรูในทางเรียบร้อยแล้วถ้าสงสัยเราก็เตรียมจดไว้เดี๋ยว มาศาลาลุงชินจะมาถามหลวงพ่อประโมทนะเนี่ยหลงไปเรียบร้อยแล้วเจ้าค่ะกรุณาเถามหลวงพ่ออย น, นิดนึงคือช่วงบางวันที่สติเกิดนะคะหลวงพ่อเวลาหลงไปเนี่ยก็รู้ว่าว่าตัวเองหลงแต่มันจะเบาๆแล้วก็ไม่ทราบว่าตัวเองรู้หรือไม่รู้เดี๋ยวงงๆอยู่ครับว่า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 หลวงพ่อจะกรุณาให้การบ้านอะไรเพิ่มเติมไหมเจ้าคะ่ะการบ้านเหรอการบ้านก็ไปฝึกต่อ <c oughs> นะถ้ายังไม่พอต้องทําไปเจ้าค <c oughs> นะ่ะวันไหนที่พอรู้ไหมวันใดที่พ้นอำนาจความปรุงแต่งของกิเลสก็พอนละ้วแหละเจ้าค่ะงั้นนักปฏิบัตินะสู้ตายนะฝึกไปเรื่อยอย่ารีบร้อนบางคนนะฝึกมาตั้งเดือนแล้วแหมบน่นยังไม่บรรลุพระอรหรันต์สัทีมากไปหน่อยนะ <c oughs>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 ครับเดินก้าวไปก้าวมานะหันซ้ายหันขวาเนี่ยคอยรู้สึกแต่อย่าไปเพ่งนะครับแค่รู้สึกรู้สึกคผมพ่อครับแต่ว่าครั้งที่ตอนที่ผมจะไปออกกาลังกายอย่างนี้ครับแล้วก็พยายามปองแบบนั่นแหละปองสั้นแ่ะอสุพะครับว่านั่แหละไปทําทําสุพะเพื่ออะไรของเพื่อเพื่อให้จิตมันสงบมันไม่ต้องส่งออกนอกครับอาสุพะอาสุพะนั่นแหละส่งออกนอก อ๋อแล้วอสุภานะมันพิจารณากายนะเป็นของไม่สวยไม่งามเขาทาเพื่อข่มราคาถ้าขนานั้นไม่ได้มีราคาแล้วจะไปข่มราคาอะไรขัวจิตส่งอกนอกครับก็อยากให้มันดวด้านขนานั้นออกนอกจะลงมาอยู่ในโลกของความคิดให้รู้สึกตัวนะของคุณน่ะคิดให้น้อยๆเลิกวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์ในการปฏิบัตินะ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 มันมันยังตื่นเต้นอยู่นะคะไหนลองโชว์ซิรู้อีกทอาหลวพ่หลับตาล้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะอย่างนี้เป็นหน่วงมันไว้รู้สึกมค่ะ <c oughs> อย่างนี้ใช้ไม่ได้อย่างนี้ไม่เรียกว่ารู้อย่างนี้เรียกว่าไปกดมันไว้ <c oughs> อย่า ก, กดมันนะรู้ก็รู้ด้วยใจที่ธรรมดานี่เอง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 อาทำวันอื่นบ้างหลวงพ่อคะ<า>อีกขออีกคำถามหน<ะ>ึ่งคืออย่างเวลาปฏิบัติในรูปแบบนะคะที่บอกว่าใช้รู้ลมหายใจแล้วบางครั้งหนูติดเพงแล้วก็บางครั้งอเหมือนกับมันหลงแล้วก็มันมั น, มนบูบอะคะ่ะอืมอย่างนี้พอพอพอมันบูบปุ๊บหนูจะเลิกเลยเพราะเพราะเข้าใจว่ามันเป็นอกุศลอย่างนี้จะแก้ยังไงคะ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 บางทีลูกก็เลยนั่งสวดมนต์อยู่ที่เตียงอ่ะเอาเก้าอี้มาแล้วก็นั่งสวดที่ที่นอนอันนี้ได้หรือเปล่าแล้วก็นั่งสา่ได้อยู่ในห้องน้ำก็สวดได้อยู่เราสวดมนต์มันเป็นการทำความดีที่ไหนก็ควรทำการนมัสการเจ้าค่ะเสื้อสีชมพูนี้มาการนมัสการหลวงพ่อผมจะเรียนถามหลวงพ่อว่าเท่าที่ผมปฏิบัติแล้วก็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 ส่วนจิตเนี่ยจะดีบ้างร้ายบ้างไม่เป็นไระแสดงว่าการเนี่ยเนี่ยเห็นไหมจิตหนีไปตรึกหนีไปคิดเมื่อกี้เนี่ยเห็น<ช>ไหมไป<ช>คิดอย่างจริงรจังเลยหนึ่งวูบเห็นไหมก็โจนปุ๊บลงไปนันเราก็แค่รู้เท่านั้นเองนะอย่างตอนเนี้ไหลไ ป, ไปอีกแล้วทราบไหมคราวนี้ไหลนิ่มๆเห็นไหมเมื่อกี้ไหลแบบกระโดดเราก็รู้อย่างเนี้ยมันเป็นยังไงก็รู้มันไปเรื่อยๆนะอย่างเนี้ยอย่างอย่างนี้น้อมใจให้นิ่มนิ่งน้อมใจให้ซึมอย่างนี้ไม่เอานะอย่าน้อม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 แ ล, แล้วผมจะเหมาะกับดูกายหรือดูจิตจะพัฒนาได้ดีครับดูทั้งกายดูทั้งจิตนะอย่าทิ้งกายของคุณอะคุณต้องรู้กายไปด้วยต้องกมีกรรมฐานอะไรต้องทําเพิ่มไหมครับสมถะก็ทําเล็กน้อยนะพอให้จิตได้พักผ่อนไม่ทิ้งนะทําสมถะเล็กน้อยแล้วก็คอยรู้ร่างกายที่ขยับกระเย่ยนเคลื่อนไหวไปเนี่ยจิตหนีไปแล้วทราบไหมหนีตามไม่ว่าไง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 ถ้าเราไปพอใจเราก็ติดอยู่ถ้าเราไม่พอใจนะเราก็จิตขนณะนี้มันไปติดไม่พอใจโยมดูออกไหมมันไม่ได้นิ่งว่างจริงหรอกนิ่งว่างไม่จริงใช่ไหมพอว่างแล้วบางคนก็พอใจให้รู้ว่าพอใจก็ถือว่าไม่ติดแล้วมันก็อย่างโยมพอว่างๆนิ่งๆรู้สึกนิ่งนานไปแล้วไม่พัฒนาก็หงุดหงิดใจให้รู้ว่าหงุดหงิดเห็นไหมตอนที่หงุดหงิดใจเนี่มันไม่นิ่งมันไม่ว่างแล้วเนี่ยค่อยๆสังเกตสภาวะไปเรื่อยๆ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 เจ้าค่ ะ, จะเจริญปัญญานั้นจิตมันไปรู้กายจิตมันไปรู้ใจตามความเป็นจริงเรียกว่าเราจเจริญปัญญาอยู่จจเจริญไปถึงจุดหนึ่งมันจะเกิดปัญญารวบยอดมันจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนแต่ดับทั้งสิ้นเลยมันไม่มีตัวตนถาวรโยมเริ่มรู้สึกหรือยังว่าชีวิตเราแต่ละขณะแต่ละขณะเนี่ยมันเป็นคนลกษณะกันเจ้าค่ะ เ, เหมือนของความที่เปิดให้ง่ายแล้วเจ้าค่ะเออง่ายหรอเจ้าค่ะ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 อาจาริเยปมาเทนะทวารัตเยนะกะตังสัพพังอั ป, ปราทังขมตุโนพันเตนโโเอาจาริเยปมาเทนะทวารัตเยนะกะตัง สับพังอปาราทังขมะตุโนพันเตอาจาริเยปมาเทนะทวารัตเตเยนะกตังสับพังอปาราทังขมะตุโนพันเตอะหังขมามิ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 อาภิวาธานาสีลิสนิจังมุทธาปัจจายิโนจตตาโรธรมาวทันตีอายุวันโนสุขังพะลัง